เพอแรกเขบอกว่า้าตายฮะเา้าตายผ่านตายยใช่ทีนี้ก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็มาเข้าฝันมาขอสุญนงอยากจะท่าบว่าคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนี้จะมาขอได้หรือเปล่าแล้วเขามาหรือล่าเนี่ยเขามอะเขมาแล้ววะไอ้หนุ่มไม้อมาถามเลย เลามาแล้วถามอะไรดีจะเขาบอกว่าเข้ามาผีเล่าผีเลยไม่ไ่งานอะหรลไอ้ผีเล่าเขเมาผีเลยไงเผลอเมาด้วยขอทางหน่อยเขามาขอสมบูรเขาไม่ได้มาทาร้ายมอคแล้วเออเออออเออเอเกอเออเอ ได้มานานละไม่นาง <laughs> ไงจบเลยนะตามศาสนาหมอตามศานาแตว่าผีที่ใครจะมาขอส่วนบุญเน่ยนะเขารู้ว่ามีบนนะุญแล้วเขาช่วยเขาได้ใครๆกันไปก็ต้องจับมาก่อนขารู้อยู่คือผีไม่ง้อทุกคนอะด้กว่าะได้กว่าเยอะ แตไม่ต้องลงทุนเงินร a อยไม่เสรีหรอกถ้าเสียตายมได้เนาะสองก็บอกว่าเจ้าดแล้วก็เออพอโนไปมาดทิพย์มาแล้วได้ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นพิจารณาไตรักแล้วก็ลืมเรื่องโนไป พิจารณตายดั้งจะ่นี้ตลอดเสมอตายแล้วจะไปไหนจะคะตายแล้วอยู่ไตรภูมิไ่หลไอไใช่จะไปไนได้วิรณาไปถึงไหนล่าพิจารณาละคมีจุดที่ปถึงนี่พิจารณาไปถึงว่าโซดาเรื่องทาร์ทาร์เรื่นาตาเรา ถ้าไม่ไปถึงไหนก็ระวังน่รบได้อไอซ์ก็ลงเลยงั้ะถ้าไม่ซก็ลงเดยแล้วก็ถามว่าการที่ไม่เคยใช้วิญญาโนไปยิที่ต่อไปจะเสื่อมไปหรือเปล่าก็ไม่รู้บาบ้าก็ลองซ่อมดูล้วมันใช้ไม่ได้กเสื่อมใช้ได้ว่าไม่เสื่อมใช่ ที่ผอมยากเลยราะวาไง่ายได้ทํางตัวก็ไม่เสื่อมถ้าเืดไปก็เสื่อมเสื่อมน้อยไท้ไม่ได้เลยเสื่อมเสื่อมหมดก็ห้ามเสียงแต่นั้อันนี้ไม่กลายบอกว่าเดิมใช้ทำภาวนาว่าพุ่โโพุ่โพต่อมาก็เปลี่ยนเป็นพิจารณาขันท่า นิจนาแล้วเกิดเพื่อนายสังขานอยากจะตายผ้าเดียวแต่ยังมีภาระอยู่อยากจะเรียนทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไรไอ น, นี่ไม่อยากตายจริงเลยไม่อยากตายจริงที่อยากตายจริงก็ไม่ห่วงภาระน้าที่อยากตายจริงก็ไม่ห่วงอกไอ้นี้ไม่อยากตายจริงากโกห ก, นน ก, ก, นนกใช่ ถ้ายาจะตายนะมตายได้ไ้มประเทศจีนนะกงเรื่องที่ตายให้มันเหมาะๆเลยแล้วเพื่อนนายการจริงถ้าปฏิบัติถึงอันที่ตายานนะไอ้โตเบอร์ที่มันสะมายาน เขาต้องเข้าพวบคู่กับสังคารุเปย์า ย, ยานบเบื่อและไร้ทรงตัวอยู่คิดว่าร่างกายนี่มันมีแล้วร้ผล้วะโยต่อต่อไปวันหน้าเราไม่ต้องการมันอีกแค่เบื่อนี่มันยังไม่พอนี่ยแค่เบื่อแค่นี้มีพา ย, ยา น, นยังไม่เป็นมัตราใช่ไหมถ้าหากว่าที่เป็นคา ย, ยานเป็นมัตรายิ่มันก็แค่นาคามียังไม่เท่าราคา ก็ต้องควบกับสัขนขารเปิดขายยาอันนี้พระพุทธเจ้าส่งสอนไว้ในทะิ่คือคือคือคือคุณนายายเก้าว่าถ้ากระจายออกแล้วอยรวมเข้าหมายความแต่ละการใดการฉันสองเห็นมีสภาธาสงบไม่มีการทรงตัวนะและกระโดดเข้าไว้ก่อนหมายว่าเรายังทรงกายไว้ก่อนจะเราไม่เมา อ, อยู่ในกายกายนี่มันเร็วอย่างนี้เราวไม่อาศัยทา่ทำความดีต่อไปเมื่อมันพังอะไรเราก็ไม่ต้องการมัอนกัน คือสังเวียนสมสโสดโขอะเขา<ๆ>จาุดจุดจุดไม้ไฟถา่านเาแล้วว่าต่อไปกัไนไม่ไดนะ้ก็ต่อใช่ใช่นี่บอกว่าเรียนพระกรรมฐ า, านมาแล้วอยาไม่ได้จิตประจักษ์จยาก็ตีอยากแต่พลาดพลาจก็ต้องทำบุญส่วนอะไรคุณจะได้รู้ประจักษ์เออหาเงินแล้สิบล้านมนะัน จ, จะให้ได้ไ็น<ๆ>ไดมแล้วก็ๆๆๆ ยังเบาเบาเบานะไม่ว่าทึกทันธุ้านอะไอย่างนี้อ่ะก็ทำกันได้ทำไมไม่ทำตามเขาทำไมนั่งบนทำไมน้ำมีจินทำไม่มีกินตามเขาก็เปิดกลุ่มซึมน้ำไปิึมไฟฟ้ากลุ่มจะได้เลยเขาไม่อยากอันนี้ที่ลูกไม่เอาจริงแต่ เราามาดึงได้แบบเรื่อยเลย <S <S ใช่ไมขไ เ, ไ เ, เขาดุงได้ดึงได้คนผายที่บาซีทำอะไรไม่มีควาสนุกที่บาีเนี่ยเหรอใช่แล้วาที่บาซีไม่มีผลต่บคนนั้นชัดถ้าบกพร่องนะถ้าว่าต่อไปี่เขาบอกว่าได้ฟังมาว่าอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะปูกหรือ่ การถวายข้าวพระเพราะว่าบริบบทเลยทว่าเลยอินมังสงฆ์ปัจจันคณะสามปันนังสารีนังสือพรกลางวังพุะสัตว์ภูเชนิอ้์นี่เถวายกปูเลยไม่ถูกนะปูเชนิษก็ให้เป็นทีเน่ยคุณผู้ชายถามเนี่ย โอ้ผู้หญิงเขาว่าอย่างนี้ยังไม่รู้หรอกว่าท่านเดียก้าท่านเดียขาคนใดท่านเกิดตามมีการเกิดพุทธศาสนาสมุทัยก็ตามูเชนี้ดยองดีไม่ต้องไปแปลเลยไม่ต้องแปลก็แปลเลราคนไทยแลาวุทธาไทยอ้านเขาทานยกขางน้ก็เกิดตามมีกานเกิด พูดภาษาภาษาอังกฤษพูดง yes, ่ายเลยว่าการนั้นภาษาจะรู้เรื่องเพราะพุทธรูปที่อยู่เมืองไทยละรู้แตภาษาไทยลืมภาษาแขกแล้วแล้วตอนตอนจะเอากลับก็กินลืมบอกเสดสัมมัทลายาจ้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยับอกมัดที่หลังก็ได้องตามันก็เร่องไม่บอกที่หลังบอกเอกไมุ่้บอกไเป็นไรแล้วไปบอกว่าพระยุทธภูมูบาธรรมชัยแจกในวันตึ่นจตานั้นเป็นพระอะไรจัคะและมีผลในทางไหน ฉัไม่เแม่ฉัไม่รักเขาหรอกได้รรม่ดนี่ไม่สัต่อะไรเาบอกปราสืตาปราาไม่ได้ืยาย้ามีอะไรว่าตอีต่อไปก็เกี่ยวกับเรื่องพ่อาสีเลยนพรตเขาทา ก็รักษาสินล้วจะร่ำรวยรักษามานานแล้วไม่รวยทิ่ไหนแสดงรักษาไม่จริงถ้าเอาไปดอล้วถ้านั้นแหละไม่จริงถ้ารักษาจริงรวยใช่ไหม 1. าม่งไม่ฆ่าสัตว์ชีวิต 2. ซื่อสัตว์ต่อสามมีปัญญาไม่เดือดร้อน สองในรักื่อขโมยใครสามชื่อสับส่อตันมีปัญญาสี่เม่องสาวด้าไม่สิบล้านไม่ไรแล้วก็เงินมันจะไปจ่ายที่ไหนกันล่ะแล้นี่เป็นนสายดิงโกหกเนี่ยลงมาพูดชั่นอาบามาสต้าอันนี้ต้องขอเข้ามาโทษจนสามสิบล้านแก้วน่าเอาแพงเลยนะ นัาสา น, านิงมันก็รวยคาว่ารยนี่ต้อไหมาความเงินมันไม่เปลืองเงินมั่อยใช้ถ้าทุกคนมีสินห้าทุกคนรับรองว่าทุกคนเงิน่อใช้ทุกคนอันนี้มันรุ่มร่ามเกินไปนักสานิ่งแปดจรวยมากไม่ดูไม่ดูหนังไม่ดูละค ร, รเห็นไหม<า>ไม่ได้ไปแค่ไม่แค่ไม่ยู่ตาตาม่อยา ก, ยาายากจะดูหนังเสียการฆ่าดูหน ไปเสียการใช้รเสียค่าาหารเสียเาการงานที่สิ่งทที่พูดวันนี้โกหกท่อย่างอ่ะบน่สบายแล้วแสดวารักษาจริงแล้วพ่อรวยรวยคำว่ารวยคือจูงพอน่หน้าเราพ่อรวยถ้าต้องแสบคำว่านี่เจ็บเนี่ยวยมากแสมากรวยมากแสบรอยรวยน้อย ในถ้าผู้หญิงปวดเป็นน้ำสุนีได้เลยเขารวยบทฉันอีกทำไมล่ะครับรัรษาสามร้อยสิบเอ็ดทำไมนยอะจัากจังอันนี้ขอนบอกท่านจบสิ่งที่ท่านจบไปท่านว่าหต่อไปเขาบอกว่าเหลือให้ทำภาวนาอย่างนี้จะเป็นบาปหรือเปล่าว่าทัาน์านที่พ้อให้ไปอะมิราชโยบริโภณายัง บอกว่าวีล่าสาวโลวีลาโอโ หลังเมื่อเราซื้อข้องยาหนักก็จนักกว่าไังแม่ไม่ได้ตาพ่อมีม uh> ันต้องต้องอยูที่ห้องนะ นี่ก็ต่อไปเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณมาเข้าตรงเพท่าตรงแต่ตัวเขาไม่เชื่อแล้วก็อะไรอย่าสอนทำให้สบายเจ็บ้ายได้ป่วยเรื่องนี้จะมีการแก้ไขหรือแนะนำอย่างไรก็ไปหาผู้มาใช่เพราะนี่ไม่สนใจเลย ไมอได้เราไปไดนนะไม่ถามเลยเราไปไทยันไม่รู้เรื่องไม่สนใจเลยนะใช่ใช่คนสุดสายหาไม่เจอเลยว่านี่่็ไม่ค่อยสุดสาย ถ้าเราอยากทราบว่าชาตนี้เราดำรงชีวิตแสนลำบากมากๆทั้งอย่างไรจึงจะหาทางแก้ไขให้สบายขึนยากอะไรทำอย่างไรแล้วมันเลิกสบายมากๆเอาง <c oughs> ่ายสบายมากๆไอ้ที่แก้แก้กรุ่มก็ถือกดธรรมดาสิ ถาจิตไม่ยอมรับกฎธรรมดามันก็มีทุกข์เกินแหละแต่ถือว่าถ้าเรามีความลําบากก็อะไรต้องรู้ลําบากก็มีทรัพย์น้อยก็ แ, แสดงว่าท้ายก่อนเราทําทานมันน้อยหรืออาจจะทํามากทําในสิ่งที่ไม่ดีผลรับมันก็ น, น้อยถ้าลําบากว่าใช้แต่แรงงานมากแสดงว่าช้ายก่อนเราทรมายุคื่นเขามาก การลงฟาว่าให้รู้จักว่าการเกิดเป็นคนเนี่ยมาเป็นภพบาและก็ที่เราต้อนํนนำบากเพราะกฎทุกกรรมที่เป็นอกุสลจุดที่เราจะรองเห็นง่ายมีสองมีห้าจุดที่ง่า ย, 2, 5, ายถ้ามีโทษภานาดีบาทมามากมันก็จะทำให้เราป่วยไข้ไม่สบายแต่ถ้าทีนาทานเราทมาทาเรศัตว์สินหายเสียหา ย, ยเสมอ ทอดการเมืองส่ชายการคนที่อยู่ใต้บัลคังกบัญชาเดืนได้ว่าไม่ได้สอนไม่ได้เขาไม่เชื่อพทอดมือสาวาด่าทำให้วาจาเราใช้ไม่เป็นประโยชน์ในการเที่ยวปัน่นทอดดื่มสุราเมลัยทําให้โรคสุปเปอร์เชื้โรคประสาทโรคบาดก็ดมว่าที่ลำบากข้าค่า อ, อยมาตร ง, ตรงข้อไหนไอ้ตรงขคอไหนก็แสดงเราเลยยี้ยข้อนั้นถ้ายาตจนมากกธิีนาทานมาให้ผล ใ่ไหมเงินว่าลำบากมากแพระรางกายทุกคนภาพร่างกายไม่ดีเพราะโทษปานาธิบาตมีลูกทุกคนคนใต้เหมืนเ่าวย่าญาสอนญาไาเกี่ยบค้งเพราะโทษตามในสุภชาจารวาจารีพูดไปไรประโยชน์คนไม่อยากฟังข้อมูสาว่าโต้เสพรสาสโรคป้าจิงโรคหัวเข่ากบ่อยนี่เจอโรูอุจดาระไรดูว่าห้าข้อนี่มันตรงกับข้อไหน ให้จำไว้ว่าความชั่วประเภทนี้เราจะไม่ทำเพราะอย่างประเทศทำเหนื่อยก็ตายแต่เวลาจะกินมันที่ตรงตายกตายแแต่คนั้นพ่าสถานทานสาชั้นพ่าสถานสายจะานสามีทานยังไงอแต่สามีทานจะให้บ่อยหรือไี่เป็นไหมใครจะนึกใหญ่ให้สามีทานเมื่อไง ว่าถ <c oughs> ้าจทานนะให้ของที to to so, so, a, so, uh, im, ication, ่เร็วกว่าที่เรากินเราใช้เวลาเราไม่ได้เราจะทานยาสอยมันก็ต้องเร็วกว่าที่ท้องกินเราใช้กันช่้ะได้เราก็ได้ของเร็วจะให้ทานให้ทานเสมอกับที่เรากินเราใช้ถ้าเราจะได้ผลที่เพิงรับก็เสมอต้องที่เรากินเราใช้ถ้าสามีทานให้ของที่เรามีกว่าที่เรากินเราใช้เวลาเราได้เราก็ได้ของเลิว กยางท่าสด็ายได้แต่ท่านสิทธิ์ท่านหนึ่งหรือว่าให้ท่าสดทายจะให้มิจฉาเป็นสารกานให้ขอเร็วเร็วเอาให้ขอเร็วให้ขอเร็วที่ยินใช้นะเวลาเป็นมหาสรทธิขึ้นมาข้าวที่เป็นมิจก็กินไม่ได้ต้องกินข้าวหาท่าที่จะใช้เป็นท่าดีทำแล้วจะใช้ได้ท่าดีจะใช้ไม่ได้ นี uhm ่ผลการให้่าสุทายนี้ที่เราทำเหนือยกับตายที่อยากจะกินกินของเร็วมันก็ไม่แน่นักวันที่มัทธิยัสก็ได้เห็นไหมเกรงว่าจะปวดจะเบื่อเกินไปไม่อร่ายแค่ไรก็กินแท่นั้นหรือว่าถ้ารวยเกินไปใช้ของดีไม่ได้จะใช้ของเร็วในพวก่าสุทาย แอ้วันยิ่งับายดอไม้เหี่ยวๆก็ใหัวเหี่ยวๆที่ว่าหัวแก่คามนี้แก่ความใช่ือชอก็บมิจฉาาไม่ไมล่ะสะอาดสะอาดเฮ้ยโอ้จะต้องได้แดดนั้นเหรออ้าวก็ได้ตอนแรกคือชกเป็นตวอยางท่มิาเป็นต้นยางไม่เล่าสะอาดสะอาแต่ถ้าถามว่าเป็นลานี่ดอกไม้เหี่ยวๆมีดอกไม้ติ ถ้าเป็นอย่ง <cœur> น <hip> ี้ถ้าวายจะไม่สน็ทต่อไปมีหัวเป็นตุกตาไม่รับไม่รั่ใช่าก็เป็นสิไรหัวทุกาเป็นชายก็ได้เนื้อุกตาหมดเรื่อยๆไม่ต้องทะเลาะกันเป็นร ต่ อ, อไปก็เมื่ออ่าเมื่อเมื honestly, so strong, ่อบ่ายโมงเมื่อบ่ายโมงขับมานั่งสมาณิีุปวดมโนมยิ้มอยู่ปรากฏมีความรู้สึกว่าเหมือนมีสิ่งตกมาข้ามึมือจะสลัดก็กลัวจะเสียสมาณิีอยากจะทราบว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะแก้ไขอย่างไรทีนี้ทำไมซื้อจิ้จกพลาสติกมาชันรักมีคันตัว แค่ไม่เคยตนเนี่ยเนี่ยใส่ามันต้งีใช่ใช่ต้องต้องพิจารณาเรืกรรมจบไวก่อนนะชาตินี้หรือช่ก่อนเคยคายถึงจบไว้มาเตือนถ้าเราไม่สนใจก็หมดเรื่องผัดไปก่อนเรค่อยคยเดี๋ยวก่อนเรื่องก็ค่อยค่อยเบ้างเห็ไหมถ้าฉันไม่คายมีแกกมหมดเรื่องไปแล้วก็มีเรื่องนั้นนะ ก็ยังไม่ถือว่าเป็นมิตรแสดงออกเพราว่าจิตศกเราต้องไปจําเสมอมันเคยมีจำกันมาเวลา น, นั้นไอ้จิตต้องเข้าถึงอุปจารสมาธิเพื่อรับสัมผัสอันนี้ได้และแล้วนเราเพทเวลานั่งเราเหมือนตายว่าใช้หูใช้จมูกใช้ต้องใช้ที่อะไรเนีย่ ย, ย, ย, ย <c oughs> แสดงว่าสมัยก่อนเราเคยชอบอะไร ไอ้่อที่มันเป็นจิตอันหนึ่งที่จะได้สมาธิเข่าทั้งคนดีบางครั้งบางคนคิดหลอเหมือนกับมดหรืออะไรมันตายนะบางครั้งมีความรู้สึกคำที่นอนใชที่ดีเนะทน่เวลานั้นะนนมันเป็นสมาธิอันหนึ่งทึ่ทำจิตจิตมันสามารถรับสัมผัสสิ่งที่ละเอียดได้ทั้งหมดเลยนี่เลอะไรอันที่ทำก็จริงมันก็ไม่มีอะไ ร, ร, รแล้วเวลานั่งมันเกิด ปวดเกิดเมื่อยเกิดชาจะจะได้ไปแล้วขยับได้เลยไม่ได้ห้ามมันก็ไม่ไดเสียอะไรไม่ด้เสียอะไรถ้าเืิอคนปวดทนเมื่อยทนชายไม่เสียสมาธิยังไม่ดีถ้าว่ามันปวดมันเมื่อยแล้วพลกซ้ายพลกขวาได้ก็ไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าถ้าปวดฉีแล้วต้องรีบไปนะบางคนถามชอบปวดฉี่ เวลาฝันจะดีนีไรแล้วไม่รู้จะงายังไงเลยแล้วเวลาโกชงพ่อจบก็น้ำกระอก็เลยเวลาฝันดีจราศีออกทุกทีก็ยังดีไม่หลับศีนก็เลยเคยดังเดียวแบบมีอะไรไหมตออไปก็เตรียมอาหารถวายพระติบสบายนะปรากฏว่าพระไม่มา กานจะเอาไปกินก็กลัว่าจะบาดเอาไปิก็ดเรื่องนี้จะทำยังไงครับมั่เลยจะกินอะไรม่มเลยเพราะว่าใจตั้งถวายพระมากเราก็ไม่ก็แค่แต่แล้วอ๋อเส๋ยแต่เรื่องจบราวใเจ็บบาดเบออะไรไม่บาดหรอกแต่พระพระท่านมั่มก็เป็นของเราเห็นไหมใช่ไม่มีอะไรบอกไปก็บอกว่า ถ้าพูดเป็นแม่ชีสาเร็จเป็นอรหรันต์จะอยู่ได้กี่วันครับแม่ชีนี่ไม่แก่ขนาดไปนนะถ้าลูกชีนี่เกิน <c> ถ <oughs> ้าเป็นอรหันต์นี่อยู่ได้นานถ้าเป็นอรหันต์แล้วมันเกิดภูมิกายก็แก <c oughs> อ่านนี้อ้หลวพออ่านอรหรันต์ไม่ใช่อรหันต์ ใช่เรี <c oughs> วยว่าชีหรือาวนี้สภาพเท่ากันเขาไม่ได้ือว่อเป็นสูงเล้คําว่่ชีเนี่ยเรารักษาสิ่งห้าบ้านราาักษาซึแปดบ้าทวเขารักษาได้เรีวยว่าปลีกตัวออกจากบ้านไปนุ่งขาวท่าเองนัสภาวะเขทุกอย่างก็หมือนทาวการจะสรงความเร่ ง, งยุ่ไม่ได้เืองหก็ต้อง อยากอยู่นานแค่ไหนไทยเองก็แล้วก็เข้าเย็นก็ไม่กินคนหัวโคนหางอะไรเยอะถ้าโคนหางด้วยแล้วก็อยู pues ่นานได้ไม่ใช่โคนหัวจะอยู่ไม่ได้ก็เท่ากันนั่นแหละทำไมจะเป็นมิจฉาวนคนที่เป็นอะไรของจริงๆน่ะถ้าไม่อยากอยู่ต่อไปไม่ต้องทิ้งวินาทีนะถ้ามันเป็นจริงๆเถอ ว่าการอยู่นะั้นไม่มีอะไรดีเลยอยู่กบขันผ่านแล้วก็ลบคุณตลอดเวลาใช่ไหมลาสลนนี้ถ้าได้นะครัหน้าบริพานตันทีบรรไดความสุกขก็สมบูรณ์แบบถ้าอยู่อย่างนี้ต้อแท้สังขารปุถายาณะตลอดเวลานั่นไม่สนไม่ตลอดนับไม่ต้งระวังใช่ไมมีกว่าใจาสาหรับพระนิกำหนัหบพระกำเนิมนิกหนักแต่นะครัไม่ยองตายไม่ได้ ต้องพระมาสานขันไม่อีกมันมีนั่นอะไรล่ะพูดถึงว่าคิดก็ได้นิพพานเลยจะได้ไมไม่ได้คาดเาไม่ได้ไอ้นี่ก็ี่ผ่านเลยได้เพราะสันิบุตรท่านก็อยู่ไม่นานเพราะว่าสันิบุตรท่านพูดเองว่าเราอยู่ด้วยความบุาท่านอยู่ด้วยความนงคายแต่ว่าเมื่อสานขั น, ข น, ขนมันไม่ต่างแล้วก็ทาอยู่กับชาวโลกไปจนงตามความสามารถหกว่าจะผานข้ามเงเห็นหม เมื่อวาระเข้ามายังไม่เข้ามาถึงพระรามไม่ไม่ฆ่าตัวตายแน่นอนแต่ว่าจิตท่านเป็นสุขจียงแต่คันธห้ามันไม่สุขเห็นไหมถ้าร่างก็หิวข้าวเป็นปวดท้องขี้เป็นปวดต้องเยียวเป็นโวยเป็นเป็นทุกอย่างเรื่องเรื่องันธห้ามันเป็นโดุทจังมแต่ว่าที่อารมณ์ท่านเป็นสุขได้เพราะจิตทรงอยู่ในสังขารเปรีา ย, ยายา ตัวนี้ที่ทําสร้างมันสุขกายมันมันสุขแต่ขันธ์ผ้ามันไม่สุขทีความันคานตอนมันป่วยป่วยฮะมีความลำคานท่านส้างอานล่างป่วยท่าก็ก็ไม่ป่วยท่านจะนําคาญเลยออถ้าป่วยทำไมท่จะไม่ลาคานแต่ว่าใจถ้าไม่ดิ้นรนถือว่าเป็นภาวะของขันธ์ผ้ามันต้องเป็นอย่างนั้นเห็นไหมมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเรารู้แล้วแต่เราก็หลำคันถ้าเราไปก็ ไ, ได้เราจะดี ไที่ําลายพันห้ามนี้เท่าพระดายถ้ายังมีชีวิตยอยู่ถ้าความสามารถทํางานที่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขกับชาวโลกได้ก็ทําเต็มความสามารถเท่านั้นถือว่าสร้างความดีทีิ้งคนแต่ผลความดีที่ใช้กันตั้งเพิ่มไม่ีก้ก็ไมันมีความดีมันก็มีแค่ที่สุดแค่พระดายทำ ข้อเยอะแ้ะหือาจข้อแค่้นน้ำมันร้นตูงจา้าถ้ามันเต็มตรงดีใสเท่าไรก็แค่ปากตรงนั่นแหละกลาจัดใช่ไหมแต่ท<ะ>ี่ทาไปแล้วเป็นป ก, การสงเคราะห์ท่านเองแล้วก็หวังดีนะถ้าพ<ะ>วกนี้ถ้าเอาว่ามีการสงเคราะห์ได้ใจท่านก็เปสุขมากถึงท่านดีใจเลยคนหนึ่งคนดีความพอใจกระดับนี้สองนี้นะ ว่าสตเได้หานเดวนี่ไปนิพพานเลยน่เะดีใจมากเพราะอะไรเพรมองดูแล้วไม่มีะรเดืดร้นกขุ่นหามวัสุขที่จริงจม่ร้นาที่มันก็ไม่ใช่ไปปวดก็เมื่อยเมื่อยแล้วก็อุนรุ่ก็อยากไปจยเรื่องตอเวลาใช่หใช่ฮะร่วงๆไปจ่าย หมดเวลามีอะไรอีกไหมท่านพอพดีเป็นตล า, แลา <c oughs> ดแล้วกนะ็ <c oughs> จบได้ใ่ใช่พระบรมโอรสาธิยนะเพราะโชคดีในสุขนั้นันรายญาติโยม น, น ะ, ะทุกคนตั้งใจไว้เฉเพาะพุทพทานจุดเดียวนะถ้าตั้งใจไว้เฉพาะพุทธทานจุดเดียวโภติมันพลาดบ้างถูบ้างในเวลาตายเมื่ไรไปน่านีมีเวลา <c oughs> าย้คำว่ายายกาลาตาบลีมาลมีความสำคัญกับศพอย่างไรเพราะกอนเกิดศหรือเขาศพต้องโดนตังใสลงซื้อยู่เสมอฉันยังไม่ตายนะหนู ยังไม่ตายเนียไม่รู้ใจเวลาการตีนี่เขาตอบรงๆเน่ะไม่รู้จริงพ่พ่อเทพอะไรเฮะพ่อเคเทเคยเทพกเทตามตำหักเลยมันม่ไม่ได้รู้จริงเอาตำลักมาไห้พ่อตำลังตำลักตำลักก็ต้องถึงตำโกล หลับทัคนอ๋อหลับใช่ยังไม่หมดตำราลยเล็กไปถึงป่าวปิดเห็นป่ะเขาเรียกว่าหาว่าเป็นยาของที่เหรมั้งที่นี่มันนี่มันไม่ใช่ความรู้ที่พระเจ้าให้แย่ว่าไม่ตรงกันนะถ้ถือกันเนี่ยถือแบบสมัยก่อนที่เราว่ายังไม่มีพระก็หาอะไรพึ่งๆไม่ได้ แต่สิ่งนี้สิ่อเจ้าเราเป็นก่อนแบบเนี้นะแต่ความจริงกับต่างนิยมนั่นมันไม่ใช่กับยากราตารีหรอกเราไม่ได้ใคพ่อแค่เคยได้เฮ้ยราดารีที่นี่ถึเก็บไปเลยขายผลเหมือนสมัยเสด็จเอาซะจริงจอ่ะอาตัวดีเจะเคยมีตําแหน่งนั้นอยู่เออนี่ถือว่าไม่สําคัญนะ เอ้ป่าพี่มันเป็นค่ากำนองก็สบับเปือแต่ทาา่านแสดงเห็นว่าตายไปแล้วแม้แต่เท่าเงินใส่ป่าที่นำไปไม่ได้เลยแต่ทางธรรมะนะแค่โดยธรรม้างความหมายของรา ม, มนั้นกมรมีคำทำให้ทราเขาถ้าไป็นแ่ชาติหน้าแนะถ้าไปไม่ได้สบเปอกริงนั่นท่านไม่กล้าร่งวงทำไมอ่ะ ถ้าไม่พอไม่ําบุหรียังไม่ได้ไม่ทำอ่ะแต่พวกเราไม่ได้เอาริใช่แต่สมัยนั้นบาทหนึ่งไม่ใช่เร่งเล็กหือหนักมากเลยเหนไหมตัวเดียวสองชาบ้าจต่างบาทนั้นก็สี่สี่คแล้วเห็นไวลานี่คำแล้วเท่าไหร่